ตกลงยมเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะหลวงพ่อเออเราจะให้ยมทําอะไรหลักับเนี้ถ้ายมเข้าใจ <c oughs> หรือยมพอจะอธิบายให้คนอื่นพอเข้าใจอย่างที่ยมเข้าใจได้ไหมละ่ะให้อธิบายถึงความแตกต่างก็ได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยโยมเข้าใจผิดตรงไหนอย่างไงตอนเนี้ยเ อ, อเข้าใจถูกเป็นอย่างเนี้ยออลองลองพูดประสบการณ์ตรงนั้นก็ได้ก็ <c oughs> ถ้าอย่างหลวงพ่อผมเมื่อก่อนเราจะคิดว่าทุกสุขเนี่ยมันเป็นมันมันคือมันมันมันทําให้เรารู้สึกทุกข์รู้สึกถุขแต่ว่าพอพอมาฟังหลวงพ่อเนี่ย รู้เลยว่าจริงๆอ่ะใจอ่าใจมันมันไปตรงนั้นเองอะค่ะคือมันไม่ใช่ความทุกข์ความสุขมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยมันก็คือใจใจที่เราบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมันเหมือนกับเราคิดคิดเองว่าทุกข์หรือสุขเราเราเข้าใจไปเองแต่จริงๆแล้วมันไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีทั้งทุกข์และสุขมันอยู่ที่ใจเราใจเราจะรู้ว่าเรามีอะไร รู้ว่ามีทุกข์รูว่ามีสุขแต่ว่าไม่มันคือมันไม่ไม่ต้องไปว่ามันคือทุกขก็คือทุกข์แต่มันก็ไม่ใช่ใจคือใจมันอยูงที่เรารับรู้เรารับรู้แต่เราเราไม่จําเป็นจะต้องไปยึดติดอ่ะคะ่ะเพราะคุณคุณสมบัติของใจมัน<แ>มันไม่ยึดอยู่แล้วมันได้แต่รู้เพราะคุณนะสมบัติของมันเป็นอย่างนั้ น, นรู้อย่างเดียวก็คือให้รู้อย่างเดียวให้รู้ว่าทุกข์นะให้รู้ว่าสุขนะค่ะเออเออเถูกแล้วแ่ะ ให้รู้แต่ว่าไม่ต้องไปเพราะอีกหน่อยมันก็จริงๆแล้วมันก็คืออีกหน่อยมันก็เป็นสังขารมันก็ดับไปมันทุกข์มันจะไม่มีทุกข์ตลอดอะค่ะมันก็จะสลายไปให้เราแค่รับรู้ว่าทุกข์ก็คือทุกข์นะสุขก็คือสุขนะมันไม่มีอยู่มันไม่มีอยู่จริงอืมออก็แค่นั้นแหละแต่เวลาเราพูดเนาะมันเป็นบางทีเราก็ใช้สรรพนามสมมุติเนาะเช่นคําว่าเราเนาะให้เรารู้ให้เรารู้แต่จริงๆอะก็คือไม่ใช่เรารู้เนาะ ไม่ใช่เรารู้ค่ะเพราะ <Okay. S 2> เราไม่เราไม่มีเราไม่มีเออแต่เวลาเราพูดสื่อสารมันก็ต้องเป็นเรารู้เออก็โอเคเข้าใจ<ม>ได้คุณแม่อย่างฟังหลวงพ่อเมื่อคืนก็ไปนั่งคิดคิดถึงว่าเออแม่เราแม่เราตายไปแม้แต่ขันห้าค่ะคิดเราเองนะแม้แต่วิญญาณก็ยังไม่ใช่ของเราเพราะว่าแม่เรามีรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วมานั่งคิดเราเองว่าสิ่งที่เราเหลืออยู่ที่เราเหลืออยู่กับแม่คือสัญญาก็คือความจําที่เรายังเหลืออยู่กับแม่แม้แต่แม่เราเองวิญญาณแม่เมื่อท่านสลายไปแล้วเนี่ยพอท่านไปเกิดใหม่ก็เป็นวิญญาณใครไม่รู้ <c oughs> ก็คือมอีแม้แต่วิญญาณคิดเอาคิดต่อยอดจากของความเมื่อคือนนะคะว่าแม้แต่ขันห้าเนี่ยแม้แต่วิญญาณมันยังไม่ใช่ของเราเลยเพราะว่าถ้าเป็นวิญญาณของแม่เราไปเกิดเป็นคนอื่นมันก็ไม่ใช่วิญญาณแม่เราแล้วมันก็เป็นวิญญาณคนอื่น ก็เลยคิด่าเออเอจริงๆแล้วไม่มีอะไรเที่ยงเลยแม้แต่ขันห้าเออเนาะเข้าใจในการพิจารณาเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยต้องย้อนกลับมาตรงที่ผู้พิจารณาด้วยว่าไอ้ผู้คิดก็ยังเป็นสังขารเลยเห็นไหมต้องกลับมาตรงนี้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีเราเป็นผู้คิดเนาะแอบก็คือเราเราคิดว่าเออแม่แม่แม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของแม่ไม่เหลือแล้วมติวิญญาณเนี่ยวิญญาณเองที่เราเคยคิดว่าวิญญาณมันเป็นของเรา สมมติม น, นตอนเนี้ยวิญญาณวิญญาณคือวิญญาณวิญญาณชาติเนี้ยแต่พอเป็นชาติต่อไปเนี่ยวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราแล้วแม้แต่วิญญาณก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราเออถึงได้ฉลาดเออถึงได้มีปัญญาเยอะเพราะว่าฟังทำแล้วไม่ใช่ฟังแล้วทิ้งมีการไปพิจารณาเนาะเออพิจารณาเหมือนกับว่าทบทวนความเข้าใจอะไรเนี่ยเออมันก็โอเคและดีแล้วของโยมเนี่ยไปได้อยู่ ลแล้วที่บ้า น, านล่ะที่บ้านเนี่ย อ, อสามีอะสามีเข้าถึงทําแบบนี้ไหมสามีเขาเขาทําเขาจริงๆริงแล้วสามีเขาจะไหว้พระเช่าไหว้พระแต่เขาไม่ไม่ได้ปฏิบัติทําตรงอะค่ะแต่เขาเป็นคนจิตใจที่ดีอะค่ะเพราะว่า<ม>เราแต่งงานกับเขาเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราเขาดึงเรามาทางที่ดีมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเป็นหนใจร้อนขี้หงุดงิดอะไรเงี้ยค่ะ คือแบบโวยวายแต่เขาจะเป็นคนใจเย็นแล้วก็เขาจะเข้าทางธรรมะเยอะเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มาปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ hmm. แต่เขาดึงดึงสติอย่างว่านินทาใครอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ฟัง hmm. เขาก็จะบอกว่าเมื่อสมัยก่อนนินทาคนอื่นเขาบอกว่าไร้สาระไปว่าเขาทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. เอ อ, อเาเวลาไปซืป้อของเงี้ยเราเราจะเป็นแม่ะค้าแก่ๆเราก็คิมีนิส่เมื่อก่อนผู้หญิงก็จะชอบต่อเขาบอกว่า <c oughs> ไปต่อเขาทําไมบาทสองบาทนั่นคือชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ย เราก็เจะเขาเออเขาดีเขาก็ดึงเราขึ้นเราก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นนะค่ะหลังจากมีสามีอ่าเขามีทำอยู่ในในใจแล้วเขาไม่ต้องแสดงออกไม่ต้องมีรูปแบบการปฏิบัติเนาะเออเขามีนะคนะผมเนี้ยเขามีของเขาแต่ทีนี้ก็ถ้าว่าก็คือต้องดูเรื่องของปัญญาว่าเข้าใจแจม่มแจ้งไหมว่าจริงๆมันมีแต่สังขารเนานะอันนี้คือมันเป็นเรื่องของปัญญาซึ่งอ่า โยมเขาอาจจะมีความรู้อยู่แล้วก็ได้แหละแต่ว่าอันนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้แต่ว่ายัางไงก็ตามเมื่อเราเกิดมาเป็นเป็นมนุษย์เป็นคนในชาตินี้เนาะต้องมีปัญญาที่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเหมือนที่โยมเข้าใจนั่นแหละว่ามันมีแต่สังขารเนาะส่วนใจใจเนี่ยไม่เป็นสังขารใจจึงไม่ได้ทุกอะไรเลยอก็ใจก็พลทุกไปอเออดีลแล้วสาธุนะคนจีนเขาคือ วเป็นคนใส่ใจอนะคือฟังอะไรแล้วเนี่ยไม่เมื่อกี้ที่เล่าไปไปทบทวนไปพิจารณาไปค่ะค่ควรอนะ่ะค่ควรในธรรมเพื่อนเป็นการตอกย้ําเป็นการเออพิสูจน์เพราะว่าใจมันมาทางนี้แล้วอนะ่ะคนถ้าเป็นอย่างเนี้ยเขาจะเออมีความเพียรอย่างเนี้ยเหมือนเหมือนหลวงพ่อเองก็เหมือนกันนะเวลาฟังใครมาเนี่ยบางครั้งถ้าสมมติว่ามันมันติดขัดหรือมันจะเข้าใจยังไงเนี่ยเหมือนกับว่าเออมาพิจารณาเนาะมาพิจารณาดูเนี่ย ก็จะทำให้แจ่มแจ้งขึ้นอะไรเงี้ว่าไปมันก็ขยันของมันนะหลวงพ่อดูแล้วเนี่ยบางทีตาให้ทำให้คิดเองอ่ะมันไม่ยอมหรอกมันไม่เอาแต่พอเราอยู่เป็นปกตินะมันคือสังขารเนี่ยมันทำงานของมันเลยอ่ะจะเดินจะนั่งจะเดินมันก็ปรุงแต่งมันก็พิจาณาหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรครับจะเรียนถามหลวงพ่อครับเวลานั่งสมาธิเนี่ยดูกายดูใจ ตัวรู้เนี่ยสามารถรับรู้ได้ทั้งกายและใจในเวลาเดียวกันไหมรับตัวรู้อืมแล้วเท่าที่โยมเห็นโยมสังเกตโยมว่ายัางไงถ้าพูดถึงตามที่ประสบการณ์ของโยมครับเอาส่วนว่ารู้ารกายรู้เออลองเล่าว่าไปดิวันนี้นั่งสมาธิแล้วก็ดูกายก็คือดูดูลมหายใจก่อนนะครับไม่ได้ดูกายดูลมหายใจแล้วก็เกิดภาวะที่รู้สึกว่าสงบ จิตใจก็เลยเหมือนกับยินดีแล้วก็ผ่องใสไปด้วยตัวรู้เหมือนกับตัวรู้เห็นทั้งกายและใจพร้อมๆกันในเวลาเดียวกั น, ก, น, ก, นก็เลยจะเรียนถามเพราะว่ามันจะต้องเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าสามารถเห็นพร้อมๆกันได้อครับเดี๋ยวหลวงพ่อถามเรื่องตัวรู้นิดหนึ่งเนาะตัวรู้เนี่ยดูกายก็รู้กายใช่ไหมกายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งถูกรู้เนาะถ้าถ้าตามที่โยมพูดเนาะผม อ่าแล้วก็ความความสงบร่มเย็นก็เป็นสิ่งถูกรู้ที่เกิดขึ้นท้งใจครับผมอ่าโอเคแล้วแล้วแล้วไอตัวรู้เนี่ยที่ว่ารู้นี่เนาะมันมันเดี๋ยวนะหลวงพ่อจะมองดูว่าทําไมรู้ว่ามีตัวรู้ละ่ะเออทําไมไปรู้ว่ามันมีตัวรู้ละ่ะมันยังไงอาศัยอะไรมาเป็นว่ามันมีตัวรู้ที่เป็นผู้รู้กายกับรู้อารมณ์ของที่เป็นความสุขเป็นความอะไรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็ เออเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่ารู้กายแล้วก็รู้รู้อารมณ์ใช่ไหมรู้ความสงบเนาะเออแล้วรวมก็บอกว่าเนี่ยมันมีตัวรู้โยมบอกว่ามันมีตัวรู้ที่มารู้กายกับรู้อารมณ์แล้วไอตัวรู้ที่ว่าเนี่ใครเป็นคนรู้ว่ามันมีตัวรู้ที่เป็นไปผู้รู้กายรู้อารมณ์ใครเป็นคนรู้หรืออะไรรู้ยังไงจริงๆแล้วผมเปรียบตัวรู้เหมือนกับ มือนกับกล้องวงจรปิดได้ไหมครับว่าตัวรู้ประมาณอย่างนั้นได้ไหมครับอ่ลองว่าไปเออลองว่าไปคือตัวรู้ในความหมายผมก็คือถ้าเกิดมองในกล้องวงจรปิดมันเหมือนกับว่ามันสามารถส่องกายเราว่ากายเราทําอะไรเคลื่อนไหวยังไงอะไรแกกล้องวงจรปิดมนก็มันเป็นตที่เราส่วนไอ้ตัวรู้แบบไอ้ไอ้รู้ทางใจเนี่ยผมเปรียบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเดียเปรียบเหมือนกับ ฟ้ามิตาได้ไหมครับที่แบบเวลาเราทําอะไรเราคิดอะไรเราเราคิดดีคิดไม่ดีมันเหมือนกับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรประมาณนะ่ะที่สามารถตอบได้อะไรอยู่ประมาณไม่ทราบผมอธิบายหลวงพ่อเข้าใจไหยครับเขออ้เาใจอยู่แต่ว่าหลวงพ่อจะตัดประเด็นนะ่ะนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องขณะปัจจุบันเนี่ยมีตัวเราเป็นผู้อยากจะรู้อยากจะ เข้าใจในสิ่งนั้นคือมันมีตัวเราเป็นผู้ไปทำความเข้าใจในในปัญหาที่ถามมานะมันมีตัวเราอยู่แต่การที่จะหลุดพ้นเนี่ยมันจะต้องรู้ตัวเราในบัดนี้เลยว่าไอตัวเราเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยที่เป็นผู้แสวงหาเป็นผู้ที่จะทำความเข้าใจเนี่ยมันเป็นสังขารถ้าไม่รู้ตัวเราตัวเนี้ยมันก็หาเรื่อยไป นะมันจะหานูน่นหานี่แล้วก็ไม่รู้สักทีคือไม่พบตัวเนี้ยไม่ไม่พบตัวผู้แสวงหาเนี่ยนะมันก็ทําให้เนิ่นช้าแต่ว่าถ้าพบเลยว่าไอตัวหาเนี่ยตัวที่อยากจะรู้เนี่ยมันเป็นสังขารแค่นี้คือมันจบแบบแบบฉับพลันเลยมันจบเลยไม่รู้ว่าเข้าใจไหมที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ จริงๆแรกภาษาทางธรรมผมก็ฟังแอบฟังหลวงพ่อบ่อยไม่ได้ขึ้นมาพูดผมว่ามันเข้าใจมากขึ้นนะครับไม่ทราบหลวงพ่อจําผมได้ไหมครับที่ผมจําได้จําได้จําได้อยู่เหมือนกับว่าหลวงพ่อตอบไม่ตรงคําถามโยมสักทีหนึ่งไม่ไม่ใช่ครับมันอาจจะเกิดปัญญาผมแบบไปไม่ถึงที่หลวงพ่อพูดครับเออก็คอยสังเกตแล้วกันนะคอยสังเกตว่าวันนี้โยมอาจจะไม่เข้าใจแต่สักวันหนึ่งไม่แน่โยมจะร้องอ๋อขึ้นมา หรืออาจจะร้องอ๋อในระหว่างที่มีคนอื่นคุยกับหลวงพ่อเนาะแล้วหลวงพ่อก็พูดในทํานองแบบเนี้ยแล้วก็โยมก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็จะร้องอ๋อเลยครับอย่างตรงนี้มันมันสําคัญมากไงทีนี้เอาลองเราทบทวนมันก็ได้ว่าพอโยมขึ้นมาปั๊บเนาะโยมก็เริ่มถามแล้วก็ถามคือถามเรื่องเรื่องผู้รู้ว่าเออเมื่อรู้กายแล้วก็รู้รู้รรอารมณ์ทางจิตใจอ่ะ แล้วก็ผู้รู้เนี่ยเขาสามารถรู้พร้อมกันได้ไหมอันเนี้ยคนถามคือตัวโยมเนาะคือตัวโยมเนี่ยเป็นผู้ถามเรื่องของของจิตใช่ครับนะตัวโยมเนี่ยเป็นผู้ถามเรื่องจิตว่าจิตเนี่ยมันรู้พร้อมได้ไหมหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไอาการที่มีตัวเราเนี่ยพยายามที่จะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่างเนี้ยมันเนิ่นช้าแต่ถ้ารู้ตัวเราปับ๊บว่าตัวเราเนี่ย ไอ้ตัวเราผู้ถามนี่นะมันเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็พอรู้อย่างนี้อูวางมันพอวางเสร็จก็คือเขาเรียกว่าสิ้นยึดสิ้นยึดถือสังขารเมื่อไม่ยึดสังขารก็คือพ้นทุกะฉะนั้นการที่จะปล่อยวางสังขารได้นี่มันจะต้องเห็นก่อนแต่ถ้าไม่เห็นมันวางไม่ได้เห็นแล้วยังตอนนี้เพราะว่ามันจิตเป็นตัวเราอยู่ครับเออแล้วเห็นได้ไหม <laughs> เห็นตัวเราแล้วยัง เห็นครับเออเห็นตัวเราแล้วก็สุดท้ายพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องวางหมดอย่ายึดถือมันจึงพ้นทุกข์เวลาฟังท่านอื่นขึ้นมาสนทนากับหลวงพ่อนะครับเวลานั่งฟังอยู่ข้างล่างแล้วมันเก็ตนะครับมันเข้าใจง่ายแต่เวลาขึ้นมามันเหมือนกับมัต้องใช้สติใช้ความพยายามเยอะอย่างสมมุติว่าที่หลวงพ่อคุยกับคุณสตินะครับจังหวะที่ผมหลับตาแล้วก็นั่งฟังไปด้วยเพลิน หลวงพ่อบอกว่าไหนลองยืนขึ้นมาสิแล้วก็ลองมองไปที่ผ้าม่านโดยที่ไม่ให้รู้ว่าเรายืนอยู่เป็นไปได้ไหมผมรู้เลยว่าคําตอบมันคือมันเป็นไปนไม่ได้ก็คือผมก็มีความรู้สึกว่าเวลาท่านอื่นขึ้นมาเวลาผมฟังแล้วผมเข้าใจดีฟังการนั้นกับเขาเออเออก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนกันหมดเลยมันติดมันมเพราะว่าเราเป็นคนฟังถูกถามแล้วมันก็ต้องใช้สมองคิดใช่ไหมพอใช้สมองคิดอะไรอคิดคิดความคิดมันก็นั่นหมดแต่ว่า หลังจากเนี่ยหลังจากที่โยมกลับบ้านโยมไปทําอะไรบางครั้งบางคราวนะมันแบบแบบมันเข้าใจแจม่มแจ้งเลยนะว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันคืออะไรเพราะตอนนั้นเราเราแบบเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจคิดไม่ได้ตั้งใจอะไรเนาะแล้วมันไปเห็นตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะเข้าใจก็มีหลายคนที่ตอนสนทนาเนี่ยเข้าใจไม่ได้หรอกแต่พอกลับไปทํำนู่นทนํานี่โอ้โหมันแจม่มแจ้งเลยเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ถ้าโยมจํา สิ่งที่หลวงพ่อถามโยมได้เนี่ยแล้วต่อมามันก็โอตอนนั้นเราไม่รู้ตัวเราเลยมีแต่ตัวเราคอยแต่จะถามโอ<า>มเม้เราลืมตัวเราลืมตัวลืมตัวเองตัวเองเป็นผู้ถามยังลืมเลยว่าคือมันไม่เห็นว่าตัวเราเป็นผู้ถามไหมเพราะว่าตัวเรามันมุ่งที่จะเอาแต่คาตอบเนาะแต่ไม่เห็นเลยว่าเรานี่กําลังถามอยู่เนี่ยที่นั่งในห้องเนี่ยที่อยู่เนี่ยคนอื่นเขารู้โยมหมดแล้วแหละ แต่โยมแบบมันง ง, งไกลตาแตกเลยเพราะว่าใช่ครับเวลาขึ้นมาแล้วมันมึนง ง, งงแล้วก็แบบคิดถูกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคือเหมือนกับไม่ไม่ชัดเจน ค, ครับยังมีความอนะตก<ป>ตงลงเอาเป็นว่า <ๆ S 2> ที่โยมถามนะไม่ต้องเอาคําตอบก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าเอาคําตอบเดี๋ยวก็จะมีตัวโยมอีกว่าอ๋อโยมเข้าใจแล้วมันก็นมีตัวเราไปรองรับคําตอบว่าเราเข้าใจหรือเราไม่เข้าใจก็ได้มันจะมีตัวเราไง เรารู้แล้วเราได้คําตอบจากหลวงพ่อแล้วกลายเป็นมีตัวมีตนหมดเลยอ่าตอนนั้นก็คุยกับหลวงพ่อมีมีตัวมีตนตลอดเลยครับเออเนี่ยต้องรู้ท่ันไงต้องรู้ว่ามันเป็นตัวเป็นตนคือมันมันจริงๆอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรอกแต่ว่ามันมันเป็นไปเรียบร้อยแล้วจนกว่ารู้ตัวขึ้นมาว่าโอ้เมื่อกี้นี่เนะมันมีตัวเรามีเป็นตัวเราเป็นผู้ถามตัวเราอยากได้คําตอบ หรือว่าเวลาตอบไม่ถูกใจอ๋อเราก็เคืองเราเคืองเราเคืองเราไม่ชอบเห็นไหมมันจะเป็นตัวตนไปรองรับไอาอาการพวกนี้หมดเลยอ่ะนะสะสมปัญญาไว้ก่อนเนาะันนี้เนาะแล้วถ้ายมติดตามอย่างนี้มันยอมก็จะเกิดปัญญาได้เร็วขึ้นแล้วก็จะเข้าใจครับผมเออรตรงนั้นไม่ต้องเอาเลยนะว่าไหนเกิดก่อนหลังเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเราไปไปรองรับอีก ใช่ครับขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะโยมลองสังเกตนะบางทีเนี่ยเวลาเราไม่เห็นตัวเรานะคือมันเห็นไม่ได้จริงๆไงเพราะว่ามันมันมันมันเข้าไปเป็นแล้วไงมันเข้าไปเป็น <S S S S อย่างอย่างของโยมพุทธิพงศ์เมื่อกี้เนี่ยจริงๆอ่ะชัดมากเลยอ่ะชัดอันนี้คือหลวงพ่อ ก, ก็จะเหมือนกับว่าชี้ชี้บอกให้เห็นตามมันเนาะพอโยมพุทธิพงศ์ขึ้นมาปั๊บ ตัวโยมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวโยมเป็นผู้ถามเรื่องตัวรู้ <c oughs> ใช่ไหมมันมีมันมีตัวโยมโยมโพิพงศ์คนหนึ่งแล้วก็แล้วไอจิตไอผู้ไอตัวรู้นี่นะเหมือนเหมือนกับว่าเป็นเป็นคนคนหนึ่งกันแล้วกันว่าไอคนเนี้ยเขาทําหน้าที่รู้รู้กายรู้ใจยังไงนะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับปั๊บเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าเอ้า ไอตัวเราเนี่ยมันมีตัวนะเนี่ยไอตัวเนี่ยตัวผู้ถามตัวผู้ที่อยากจะรู้คําตอบว่าว่าไอผู้รู้มันเป็นยังไงเออก็จะทําให้เห็นตัวเองขึ้นมาพอเห็นตัวเองปั๊บมันก็รู้จักแล้วนี่ว่าไอตัวเองก็คือกลุ่มของขันห้าเนาะเออมันไม่ใช่เราแล้วก็กลายเป็นสิ่งถูกเห็นด้วยนะฮะเป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกับที่เราทดสอบเมื่อวันก่อนนะเป็นสิ่งถูกเห็นว่าอ๋อไอตัวเราผู้ถามมันก็เป็นสิ่งถูกเห็น แต่ผู้เห็นตัวเรามันไม่ปรากฏตัวเนี่ยมันก็จะทำให้แจ่มแจ้งมากขึ้นทีนีอ้อย่างนึกเมื่อกี้อตอนโยมหน่่ยนยยังไม่มานะหลวงพ่อก็ให้ให้ฝึก <c oughs> เพื่อเหมือนกับว่าให้แยกแยกว่าระหว่างตัวเรากับกับผู้รู้เราเนี่ยว่ามันมันเป็นยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าเออยกมือมาสองข้างเลยมือขวายกมามือซ้ายยกมาแล้วก็มองไปที่มือแล้วก็ บอกว่าลองดูที่ว่ามันรู้ตัวเราได้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นผู้มองมือใช่ไหมปรากฏว่ามันต้องรู้ได้ดิแล้วการรู้เนี่ยมันไม่ได้เอาตามองตัวเราเนาะแต่มันรู้ได้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ผู้มองมือหรือผู้รู้มือเนี่ยเราเป็นผู้รู้มือแล้วมันมีอีกรู้หนึ่งมารู้มารู้ตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นผู้ผู้รู้มือตรงเนี้ยก็สามารถชี้ให้ได้อ่าชี้ให้เห็นได้เลยว่ามันมีผู้รู้อีกรู้หนึ่งที่มารู้ตัวเราผู้รู้อันนั้นนะหลวงพ่อสมมุติชื่อว่าใจนะ ใจมันรู้เราแต่ใจไม่ปรากฏตัวใจมันเป็นความไม่ไม่มีไม่ปรากฏแต่ตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้รู้มือเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วทุกอย่างสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสังขารมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปแล้วก็สังขารเป็นทุกข์ <rights> <Guerra> นะเพราะฉะนั้นจะได้รู้ทุกข์เสียทีว่าทุกข์ที่เขาเรียกว่าทุกข์ขัดสนคือที่มันเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสบายไม่สบายแต่ว่าตัวมันเองลักษณะของมันเองคือมันเป็นตัวทุกข์ในตัว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกใจรู้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งหมดแต่ใจเป็นความไม่ปรากฏจึงความไม่เป็นความไม่มีทุกข์นะใจเป็นความไม่มีทุกข์มีแต่ความรู้อย่างเดียวแล้วก็รู้แล้วใจก็ไม่เคยยึดถือสิ่งใดใจได้แต่รู้เนี่ยก็เรียกว่ารู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งความไม่ทุกข์ก็คือจบหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ก็มีแค่นี้เองพ้นะ <Okay. S 1> นทุกข์ก็คือใจนั่นเองอะเนี่ยง่ายเลยทีเนี้ย <laughs> จริงไม่ยากนะถ้าถ้าไม่รู้ยากไม่ยากแต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ยบางทีเราเห็นทำไมชาติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันปรากฏมาจากไหนเมื่อเมื่อกี้ตอนโยมยังไม่เข้ามานะหลวงพ่อพูดถึงเรื่องไฟฉาย อ, ะอ่ะอหลวงเข้ามาแล้วมั้งหลวงพ่อไปทําวัดเนี่ยแล้วไฟฉายมันแบตเตอรีม่มันเกือบหมดแล้วไงแล้วก็ระหว่างเดินทางเนี่ยปรากฏว่ามันมันดับนะแล้วก็มันไฟฉายดับ พอดับเลยหลวงพ่อก็กดเปิดแล้วมันก็ติดแต่ติดได้ไม่นานแล้วมันก็ดับอีกแล้วก็อ๋พอพอกดเปิดมันก็ติดได้ไม่นานดับแล้วก็พอตอนหลังเหมือนกับว่าพอกดปั๊บดับปุ๊บกดปั๊บดับปุ๊บอ่ะนะตรงเนี้มันเห็นจุดตัดกันระหว่างความความความเกิดของของของไฟฉายคือเกิดแสงอ่ะนะว่าเมื่อมันดับแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่แสงแต่มันเป็นที่รองรับของแสงเนาะแล้วก็พอเปิดปั๊บ อาแล้วก็ดับอีกเราก็เห็นจุดตัดกันระหว่างสิ่งที่ไม่ไม่ปรากฏกับสิ่งที่ปรากฏมันเป็นจุดตัดกันเพราะว่ามันเปรียบเทียบได้นี่ว่าไอสิ่งที่ปรากฏนี่มันหมดมันหมดก็เลยไปพบว่าอ๋อไอสิ่งที่มันไม่หมดมันก็คือความว่างเนาะแต่หลวงพ่อก็ขยายความว่าไอความว่างที่เรารับรู้ด้วยตาหรืออะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นอากาศยังไม่ใช่ว่างแท้ยังไม่ใช่ว่างจริงว่างจริงเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่อากาศแล้วก็คือไม่ใช่อะไรทั้งหมดคือเป็นความไม่ปรากฏอะไรเลย อันนั้นแหละเป็นพื้นเป็นพื้นที่รองรับทุกสิ่งที่มันเกิดดับทีเนะนี้ยตรงเนี้ยถ้าเรามาเทียบที่ใจอ่ะใจอ่ะนะเอา้าสมมติว่าความโกรธตอนนี้ไม่มีนะแต่ความไม่มีในใจอ่ะมันมีอยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานรองรับแต่ว่ายังมองไม่เห็นเพราะว่ายังไม่ได้เปรียบเทียบกับความโกรธแต่พอความโกรธเกิดขึ้นปับ๊บจะรู้เลยว่าความโกรธเป็นสิ่งที่เกิดนะแล้วพอความโกรธหมดไปก็จะรู้ว่าความโกรธดับไป แล้วก็สังเกตอีว่าความโกรธเกิดอีกแล้วและดับไปเราก็เลยรู้เลยว่ามันต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่เกิดที่ดับของความโกรธสิ่งนั้นแหละหลวงพ่อจึงเรียกว่าเป็นความว่างแต่ความว่างมันมีความรู้เล่ยเลยสมมุติชื่อความว่างที่มีความรู้ว่าใจเพราะฉะนั้นใจเนี่ยจึงเป็นความไม่ปรากฏเป็นความไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้อย่างเดียวก็หมายถึงว่าอะไรที่เกิดในใจอ่ะใจรู้หมด แต่ใจไม่ได้เป็นสิ่งเกิดไม่ได้เป็นสิ่งดับด้วยเพราะสิ่งเกิดสิ่งดับคือเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งใจรู้ได้เพราะฉะนั้นใจเนี่ยก็เป็นความไม่เกิดไม่ดับเพราะฉะนั้นใจจึงความไม่เป็นทุกข์เลยแต่สิ่งที่เกิดกับเกิดดับในใจต่างหากที่มันเป็นสภาวะทุกข์ใช่มเป็นสภาวะทุกข์คือมันเป็นธรรมชาติอะเป็นธรรมชาติซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นเช่นนั้นเอง เมื่อใจเนี่ยมันเห็นแจ้งอย่างเนี้ว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่ใจใจมันจึงรู้จักตัวมันดีว่ามั น, นไม่เคยมีทุกข์ไม่เคยมีสุขแต่มันเห็นเห็นมีเห็นสิ่งที่เกิดดับได้ว่านั่นคือทุกข์เพราะฉะนั้นใจจึงพ้นทุกข์ด้วยจึงพ้นทุกข์ได้เพราะการรู้นี่แหละ แต่ถ้าใจเมื่อก่อนใจมันไม่มีความรู้เพราะว่าใจยังไม่ได้อบยังไม่ได้ฝึกเนาะมันยังไม่มีสติมาเป็นตัวช่วยอะไรใจก็ไม่เคยรู้อะไรสักอย่างนึงแต่เมื่อฝึกสติสติอ่าอะไรเกิดขึ้นในใจหัดรู้หัดรู้เอาไว้ต่อใจต่อมาก็ใจมันก็รู้เป็นเลยฝึกมันเหมือนกับว่ามันมีช่องทางที่จะรู้ได้ต่อไปก็จึงไม่ต้องฝึกและใจก็รู้เองตรงนั้นแหละก็เลยจะจัดแจ้งเลยว่ามันพ้นทุกข์ที่ใจไม่ได้พ้นทุกข์ที่ไหนหรอกเพราะใจเองอ่ะมันไม่มีทุกข์อยู่แล้วนั่นแหละคือเป็นความหลุดพ้น และก็ใจนี้ก็ก็เรียกว่าบรรลุนิพพานคือใจไม่ทุกข์ก็คือใจเป็นนิพพานน <c oughs> ั่นแหละผู้คนเนี่ยนะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าคือไปตั้งทงไว้ผิดคือเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดไปคิดผิดว่าคือเหมือนกับว่ามโนอ่ะว่าเออถ้าเราปฏิบัติธรรมถึงที่สุดแล้วเนี่ยส่วนนี้จะพูดถึงเรื่องใจเนาะคือไปหวังว่าจะต้องไม่มีอะไรเกิดในใจคือมันจะนิ่งมันจะส ง, งบนี่คือสิ่งที่เขาไปตั้ง <c oughs> ทงเอาไว้ ความเข้าใจแบบนี้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดพอเข้าใจที่ผิดเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามจะทําให้ได้ตามที่เข้าใจแล้วยิ่งทํามันก็ยิ่งไม่ได้มันก็ยิ่งคับแค้งก็ทุกข์หนักกว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมซะอีกตรงเนี้แหละเหตุก็เพราะเข้าใจผิดแต่ถ้าได้ฟังได้ยินเอาอผู้ที่เขารู้แจ้งแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหรอกก็คืออะไรที่เกิดขึ้นในใจมันก็ต้องเกิดแล้วก็เขแค่รู้มันเหมือนกับที่โยมบ้านนั่นแหละ เห็นเป็นธรรมดาเนาะมันเกิดขึ้นอะไรก็ได้สุขทุกเกิดขึ้นก็เห็นมันรู้มันแล้วก็เห็นเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นของเกิดดับเท่าเทียมกันหมดสุขเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับทุกความไม่สบายใจเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับเพราะฉะนั้นมันเท่าเทียมกันคือสิ่งนี้เกิดดับถ้าเข้าใจถูกแบบนี้จิตใจมันก็โอเคมันก็ค่อยยอมรับมากขึ้นก็จะเป็นกลางนั่นก็นอนเนาะเป็นกลางมากขึ้นพอเป็นกลางมากขึ้นมันก็คือเออใจมันก็ไม่คับแค้นไม่มีปฏิฆะไม่มีอะไรกลายเป็น เออเข้าใจแล้วอะไรทุกอะไรเกิดก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายแล้วเนี่ยต้องเข้าเข้าใจถูกแบบนี้แล้วการการปฏิบัติธรรมก็จะผ่านโลดแล้วเพราะงั้นมันอยู่ที่เข้าใจผิดนี่แหละแล้วก็เนี่ยที่เราคุยธรรมะก็ทุกวันก็เพื่อเปลี่ยนความเข้าใจผิดเนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยเข้าใจผิดหมดแล้วเพื่อเปลี่ยนนะให้เป็นเข้าใจถูกนะตราบใดที่เข้าใจถูกไม่ได้เนี่ยมันมันมันก็มีปัญหาอย่างนี้แหละแต่ถ้าเข้าใจถูกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหมดเลย จริงถ้าเข้าใจถูกเนีเช่นเข้าใจถูกเรื่องธรรมชาติเนี่ยว่าธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นของมันเราก็ไม่ได้ทํามันเลยมันเป็นเองมันปรุงแต่งของมันเองแล้วก็มันซื่อของมันอยู่แล้วคืออย่างเนี้ยเห็นถูกตรงเห็นถูกต้องอะ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเข้าใจถูกแต่พอเข้าใจผิดปั๊บมันจะเอาตัวเราเป็นผู้ตัดสินผิดถูกแล้วก็จะให้เป็นไปตามที่เราหวังเนี่ยพวกนี้ผิดหมดเลยอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราไม่มีก็เลยไปปรุงแต่งไปยึดถืออะไรไม่รู้มาเป็นเรา พยุดถือเสร็จแล้วก็จะให้เราได้นั่นได้นี่มันผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจถูกหนึ่งเข้าใจถูกว่าไม่มีเราสองอะไรเกิดขึ้นก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเออมันเกิดเองดับเองมันุเหมือนหลวงพ่อเนี่ยที่เคยไปเห็นไอ้ตากผ้าแลยผ้าแห้งเองอะ่ะ <c oughs> โอโ้โหมันรู้รอบจั ก, กรวาลเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเองหมดเลย <c oughs> รวมถึงในร่างกายจิตใจมันเป็นเองหมดเลยหลวงพ่อไม่ได้ทําอะไร ก็สามารถเกิดปัญญาได้แล้วก็ยอมรับความจริงเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าปฏิบัติให้เกิดปัญญานะหรือเรียกว่าวิปัสนาคือเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเห็นัหมกรูบาอาจารย์ท่านสอนหนึ่งเนี้ยแต่เราก็ฟังแล้วไม่เก็ตวันนี้เก็ตนะ